สิขาบทที่หว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟอนเป็นต้นเรื่องภิกษุณีทุนลนันธา999สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นภิกษุณีทุนลนันธาให้ของเคี้ยวของฉันด้วยมือตนแก่พวกครูนักฟ้อนบ้าง พวกนักฟอนบ้างพวกกระโดดไม้คําบ้างพวกมายากลบ้างพวกตีกรองบ้างกล่าวว่าพวกท่านจงกล่าวพันนาคุณของดิฉันในที่ชุมนุมชนพวกครูนักฟอนบ้างพวกนักฟอนบ้างพวกกระโดดไมาา้คําบ้างพวกมายากลบ้างพวกตีกลองบ้างต่างพากันกล่าวพันนาคุณของพิจุณีทุลนนันธาในชุมนุมชนว่า ภิกษุณีทุลนันธาเป็นพู้หูสูตรเป็นนักพูดแกล้ากล้าสามารถกล่าวธ ร, รมีกถาพวกท่านจงถวายจงกระทาสการะแก่เธอบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าฉันยแม่เจ้าทุลนันธาจึงให้ของเคี้ยวของฉันด้วยมือตนแก่ชาวบ้านเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ